ไปมาหาสู่ตระกูลเป็นอันมากที่ตนเห็นว่ามีเด็กหนุ่มที่ยังไม่มีพรันรยาหรือเด็กสาวที่ยังไม่มีสามีกล่าวยกย่องคุณสมบัติของเด็กสาวให้มันดาบิดาของเด็กหนุ่มฟังว่าสาวน้อยของตระกูลโน้นรูปงามน่าดูน่าชมฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีขยันไม่เกียจคร้านสาวน้อยคนนั้นเหมาะสมกับชายหนุ่มคนนี้ มัรดาบิดาของเด็กหนุ่มก็กล่าวว่าพระคุณเจ้าคนเหล่านั้นไม่รู้จักพวกเราว่าเป็นใครหรือพวกพ้องของใครถ้าพระคุณเจ้าจะพูดท่าทามให้พวกเราก็จะสู่ขอเด็กสาวนั้นมาให้เด็กหนุ่มคนนี้พระาทายีนั้นไปกล่าวยกย่องคุณสมบัติของเด็กหนุ่มให้มานดาบิดาของเด็กสาวฟังว่าชายหนุ่มของตระกูลนูน้นรูปงามน่าดูน่าชม ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีขยันไม่เกียจคร้านชายหนุ่มคนนั้นเหมาะสมกับสาวน้อยคนนี้ข้างมันดาบิดาของเด็กสาวก็กล่าวว่าพระคุณเจ้าคนเหล่านั้นไม่รู้จักพวกเราว่าเป็นใครหรือพวกพ้องของใครการที่จะพูดยกสาวน้อยให้เขาก็ดูกระไรอยู่ถ้าพระคุณเจ้าช่วยไปพูดให้เขามาสู่ขอพวกข้าพเจ้าก็จะยกสาวน้อยคนนี้ ให้ชายหนุ่มคนนั้นด้วยวิธีอย่างนี้พระอุทายีจึงให้มันดาบิดาของหนุ่มสาวทาอาวาหะมงคลบ้างวิวาหะมงคลบ้างหรือชักนำให้สู่ขอมั่นหมายกันบ้างสองสมัยนั้นบุตรสาวของหญิงไม้ผู้เคยเป็นพัญญาโหนคนหนึ่งมีรูปงามน่าดูน่าชมพวกสาวกอาชีวก จากหมู่บ้านอื่นมาบอกพัญญาโหนนั้นว่าแม่คุณท่านจงยกเด็กสาวคนนี้ให้ชายหนุ่มของพวกเราเถิดพัญญาโหนตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งเด็กสาวคนนี้เป็นบุตรสาวคนเดียวของดิฉันนางต้องไปบ้านอื่นดิฉันยกให้ไม่ได้ชาว บ, บ้านกล่าวกับพวกสาวกอาชีวกว่า พระคุณเจ้าพวกท่านมาธุระอะไรกันพวกสาวกอาชิวกตอบว่าพวกเรามาขอบุตรสาวกับพระยาโหนชื่อโน้นในที่นี้ให้แก่เด็กหนุ่มของพวกเราแต่นางปฏิเสธว่าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครดิฉันยกให้ไม่ได้ชาวบ้านแนะนำว่าพระคุณเจ้าไปขอหญิงสาวกับพัญญาโหนทำไมกัน ไปพูดกับพระอุทายีไม่ดีกว่าหรือพระอุทายีช่วยให้เขายินยอมยกให้ได้พวกสาวกอาชีวกไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าพระคุณท่านพวกกระผมมาขอบุตรสาวกับพัญญาโหนชื่อโน้นในที่นี้ให้แก่เด็กหนุ่มของพวกกระผมแต่ถูกนางปฏิเสธว่าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครดิฉันยกให้ไม่ได้ พระคุณท่านช่วยด้วยเถิดขอรับใช้พูดให้พัญญาโหรยอมยกบุตรสาวให้แก่เด็กหนุ่มของพวกกรบผมด้วยลำดับนั้นท่านพระอุทายีจึงเข้าไปหาพัญญาโหรถึงที่อยู่รั้นถึงแล้วได้ถามว่าทำไมเธอไม่ยกบุตรสาวให้คนเหล่านั้นเล่าพัญญาโหรตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าคนเหล่านี้เป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่ง เด็กสาวนี้เป็นบุตรสาวคนเดียวของดิฉันนางต้องไปอยู่บ้านอื่นดิฉันจึงไม่ยกให้เจ้าค่ะท่านจงยกให้ไปเถอะอัตมารู้จักคนพวกนี้ดีถ้าพระคุณเจ้ารู้จักดิฉันก็จะยกให้ต่อมาพัญญาโหนจึงยกบุตรสาวให้สาวกอาชีวกครั้นพวกเขาพาเด็กสาวไปได้เลี้ยงดูอยญ่อ่างสภัยเดือนเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นเลี้ยงดูอย่างธาตญิง ต่อมาสาวน้อยส่งข่าวไปถึงมารดาว่าลูกตกระก ร, รมลำบากหาความสุขไม่ได้เลยพวกเขาเลี้ยงดูลูกในฐานะหญิงสะใภเดือนเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นเลี้ยงดูอย่างทาดหญิงคุณแม่โปรดมารับลูกกลับไปเถิดครั้นทราบข่าวพญญานจึงไปหาพวกสาวกอาชิวกถึงที่อยู่กล่าวว่าพวกท่านอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างทาตหญิงโปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภเถิด พวกสาวกอาชีวกตอบว่าพวกเราไม่ได้รับรองและตกลงไว้กับท่านแต่รับรองและตกลงไว้กับพระตังหากหลีกไปพวกเราไม่รู้จักท่านครั้นพญญาโหนถูกพวกสาวกอาชีวกพูดลุกลานจึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถีฝ่ายสาวน้อยก็ยังส่งข่าวไปถึงมารดาอีกเป็นครั้งที่สองว่าลูกตกระกรรมลำบากหาความสุขไม่ได้เลยคุณแม่โปรดมารับลูก กลับไปเถิดพัญญาโหรจึงไปหาพระอุทายีถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าทราบมาว่าบุตรสาวของดิฉันตกระกรรมลําบากไม่ได้ความสุขได้รับการเลี้ยงดูอย่างส p a ยเดือนเดียวเท่านั้นจากนั้นถูกเลี้ยงดูอย่างทาตหญิงพระคุณเจ้าควรขอร้องว่าอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างทาตหญิงโปรโดเลี้ยงดูอย่างส pais ต่อมาพระอุทายีได้ไปหาพวกสาวกอาชีวกถึงที่อยู่ขอร้องว่าพวกท่านอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างหาตหญิงโปรดเลี้ยงดูอย่างสปายเถิดพวกสาวกอาชีวกตอบว่าพวกเราไม่ได้รับรองและตกลงไว้กับท่านแต่รับรองและตกลงไว้กับภรยาโหนต่างหากพระต้องไม่วุ่นวายต้องเป็นพระที่ดีหลีกไปพวกเราไม่รู้จักท่านครั้นถูกพวกสาวกอาชีวกพูดรุกราน พระโอทายีจึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถีฝ่ายสาวน้อยก็ยังส่งข่าวไปถึงมารดาอีกเป็นครั้งที่สามว่าลูกตกกระกรรมลาบากหาความสุขไม่ได้เลยคุณแม่โปรดมารับลูกกลับไปเถิดฝ่ายพันยาโหนก็เข้าไปหาพระโอทายีถึงที่อยู่และพูดเป็นครั้งที่สองว่าพระคุณเจ้าทราบมาว่าบุตรสาวของดิฉันตกระกรรมลาบากโปรดเลี้ยงดูนางอย่าง สภัยท่านพระอุทายีกล่าวว่าอัตมาถูกพวกสาวกอาชีวกพูดลุกลานมาครั้งหนึ่งแล้วเธอไปเองเถิดอัตมาจะไม่ไปนินทาและสรรเสริญพระอุทายี298ครั้งนั้นพัญญาโหนได้ตำหนิประนามโพนธนาขอให้พระอุทายีตกรกรรมลำบากอย่าได้มีความสุขสบายเหมือนบุตรสาวของเรา ที่ต้องตกรกรรมลําบากไม่ได้ความสุขสบายเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วแม่สาวน้อยก็ตําหนิประนามโพธนาพระอุทายีว่าขอให้พระอุทายีตกรกรรมลําบากอย่าได้มีความสุขเหมือนเราที่ต้องตกรกรรมลําบากไม่ได้ความสุขสบายเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่ว แม่หญิงสาวอื่นๆที่ไม่ชอบใจแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วต่างสาบแช่งพระอุทายีว่าขอให้พระอุทายีตกระกรรมลำบากเหมือนเราที่ตกระกรรมลำบากเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วฝ่ายหญิงสาวที่ชอบใจแม่ผัวพ่อผัวและสามีต่างให้พรว่าขอให้พระคุณเจ้าอุทายีจงมีความสุข ความเจริญเหมือนพวกเราที่มีความสุขความเจริญเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีดีพวกภิกษุได้ยินหญิงบางพวกสาบแช่งบางพวกให้พรบรรดาภิกษุผู้มากน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพธ น, นาว่าจะไหนท่านพระอุทายีจึงชักสื่อเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่า ง, า ง, างแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ